นะโมตัสสะพคุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพหุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพหุวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนกุพังขมาธรรมามโนเสถามโนมยา มานสาเจประสันเนนะาสติวากรโรติว่าแต่โตนังสุขมเนวติฉายาวะอนุปายนีตีณโอกาสบันี้อัตมภาพจะได้รับแสดงพระธรรมเทศนาในจิตตกถาซึ่งพารณาเรื่อง จิตแห่งพระธรรมบทเนื่องในวันธรรมสวรนะก็คือวันฝังธรรมในวันนี้เพื่อเป็นเครื่องฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีของท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาประชุมกันภายในพระโอุโบสถวัดพระยุรงสาวาทแห่งนี้ญาติโยมทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่มาในวันนี้ มีกุศลจิตในเบื้องต้นกุศลจิตในการที่จะทำความดีปุพพัทเจตนาเจตนาในเบื้องต้นตั้งแต่แรกที่คิดว่าเมื่อถึงวันนี้วันที่ 14, สิบสี่สิงหาคมตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าเราจะตั้งใจมาฟัง ทำภายในพระอุโบสถวัดประยุงสาวาทแห่งนี้ตั้งแต่วินาทีนั้นที่โยมตั้งใจจดไว้ในปฏิทินหรือว่าบันทึกไว้ณนะส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่ณนะวินาทีนั้นกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเจตนาในเบื้องต้นที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นแล้วและก็บุญก็เกิดขึ้นแล้วณนะเวลานั้น เมื่อถึงวันนี้โยมก็ได้เดินทางมาณนะภายในพระโบสถแห่งนี้ตามเจตนาเบื้องต้นที่ตั้งไว้และก็กระทำตามเจตนานั้นการทำการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างของเราไม่ว่าเราจะทำสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีอยู่ที่จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นผู้สั่งจิตเป็นผู้บังคับบัญชาในการกระทำที่แสดงออกไปทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีธรรมชาติของจิตนั้นเป็นสิ่งที่ดิ้นรนเป็นสิ่งที่กวักแก่ง้งอยู่นิ่งได้ยากดังนั้นท่านจึงหาสิ่งให้จิตเกาะหรือจิต เป็นที่พึ่งของจิตถ้าเราเอาไปสิ่งที่ไม่ดีเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นที่เกาะเป็นที่พึ่งของจิตแล้วจิตก็จะผูกพันอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีนั้นถ้าเราเอาสิ่งที่ดีๆให้จิตเกาะจิตยึดเหนี่ยวจิตก็จะหมุนเวียนยึดเอาสิ่งที่ดีๆนั้นเป็นที่พึ่งและก็ทําให้เราแสดงออกทางกายทางวาจา ในทางที่ดีอย่างเช่นวันนี้ญาติโยมเมื่อมาแล้วในเบื้องต้นเราทำภาวนาก็าคือการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้จิตคุ้นเคยในการสวดมนต์ไหว้พระท่านบอกว่าจิตของคนเรานั้นเมื่อทำสิ่งใดบ่อยๆจิตจะคุ้นเคยกับสิ่งนั้นภาษาธรรมะท่านเรีย ก, ยกว่าจิตเสพคุ้นหรือว่าเคยชินกับสิ่งนั้น เมื่อเราสวดมนต์บ่อยๆเข้ามาภายในพระอุโบสถ ว, วัดปึงสาวาทเราได้สวดมนต์ไหว้พระในเบื้องต้นจิตของเราก็เกิดสมาธิเป็นกุศลจิตจิตเป็นจิตที่นิ่งพร้อมที่จะรับฟังพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแม้แต่บทสวดมนต์ที่เราสวดก็เป็น ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นบทสรรเสริญตลอดถึงเป็นบทพิจารณาสังขารที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้และก็นักปราได้มาประพันธ์เพื่อให้เป็นบทร้อยกรองสะดวกในการสวดในการจําและก็ในการทําความเข้าใจทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้จิตของคนเรา เสพคุณในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อจิตเสพคุณในสิ่งที่ดีๆแล้วการกระทำที่แสดงออกไปอย่างเช่นกิริยาที่แสดงออกทางกายการสวดมนต์ไหว้พระกิริยาการไหว้กิริยาการทาบุญก็แสดงออกมาในทางที่ดีวาจาที่แสดงออกมาทางคำพูด ก็เป็นคำพูดที่เป็นสุภาษิตเป็นคำพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่เรียกว่าเรามีสินโดยอัตโนมัติเราจะมารับสินณที่นี้หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าไม่มารับสินของเราก็จะสมบูรณ์โดยอัตโนมัติเพราะสินนั้นอะไรว่าความสำรวมกายวาจาสินนั้นมีสองประเภท ศีลประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสัมปชาวีรัตถึงพร้อมด้วยจิตที่เป็นกุศลถึงแม้ว่าเราไม่ไม่มารับศีลต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระประธานหรือว่าต่อหน้าบุคคลที่เรานับถือแต่เมื่อสิ่งที่ทำให้เราขาดศีลประจนุหน้าเราเรามีจิตอยู่ในจิตของเราจะเตือนว่าสิ่งนี้ทำแล้วทำให้ขาดศีลเมื่อทำไปแล้ว ทำให้เกิดผลร้ายทั้งตัวตัวของเราเองและก็ส่วนรวมสิ่งนี้เมื่อพูดไปแล้วทําให้เราเดือดร้อนทําให้สังคมเดือดร้อนลรงงดเว้นการงดเว้นสิ่งเหล่านี้แหละเรียกว่าสัมปจวิรัติสินเกิดขึ้นพร้อมแล้วนักขณะนั้นมีสินสมบูรณ์แต่นอกจากนั้นเมื่อเรามารับสินต่อหน้าพระสงฆ์เรียกว่าเรามาย้ําคําเตือน ให้พระสงฆ์เป็นพยานว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะจำเป็นต้องขาดศีลเราได้มีสติเตือนใจว่าเราได้กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระประธานแล้วว่าเราจะงดเว้นสิ่งที่ทำให้เราเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนทางกายทางวาจาเมื่อ เรารับศีลทั้งสองครั้งเรียกว่าครั้งแรกก็คือเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอันที่สองต่อหน้าพระสงฆ์แล้วศีลของเราก็จะมั่นคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาล้วนแล้วแต่มีใจเป็นประธานดังที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเขปปบทในเบื้องต้นว่า มโนปุพังเข้มาธรร ม, มามโนเสถามโนมยาเป็นอาทิมีใจความว่าคนเรานั้นมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นประธานมีใจเป็นใหญ่ในการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าในการพูดหรือว่าในการกระทาทางกายถ้าหากว่าเราพูดเราแสดงออกในทางที่ดีแล้ว ผลที่ดีก็จะตามมาก็จมเกิดขึ้นเหมือนกับเงาติดตามตัวนิอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในเรื่องจิตพระพุทธองค์ทรงเน้นหนักเรื่องจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างของเราแต่ดังที่กล่าวไว้แล้วว่าเป็นจิตนั้นเป็นเรื่องที่ทำยากแต่ไม่เกินวิสัยเมื่อเราต้องทาบ่อย วิธีที่ทำให้จิตเสพคุนในสิ่งที่ดีๆมีหลายวิธีด้วยกันในบุญกิริยาวัตถุสิบประการโดยย่อไว้เหลือสามก็คือทานะใหม่การให้ทานบ่อยๆจิตก็เกิดเป็นเมตตาเป็นกุศลจิตจิตมีการเสียสละจะไปขม่มความโลภคนที่ให้ให้บ่อยๆ จะทำให้มีจิตใจเผื่อแผ่เป็นออเห็นออกเห็นใจคนอื่นความโลภอยากได้จะดลดน้อยลงเพราะฉะนั้นทานเป็นบุญเพื่อให้ไปข่มกิเลสที่เรียกว่าความโลภนอกจากนั้นเมื่อให้ทานแล้วเราจะยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยการรักษาศีล การรักษาศีลด้วยการงดเว้นศีลห้าศีลอุโบสถเป็นงานการงดเว้นทางกายทางวาจาเพื่อไม่ให้ไปละเมิดสิ่งที่เราได้ปฏิญาณตนต่อหน้าพระประธานต่อหน้าพระสงฆ์ว่าเราจะตั้งใจทำสิ่งเหล่านี้ให้ได้การปฏิญาณตนเรื่าการรับต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าสิ่งที่เราขอรับนับถือนั้น เป็นกำลังใจเพราะว่าเมื่อเราเริ่มทำแล้วบางครั้งบางโอกาสย่อมมีอุปสรรคมากัดความอย่างเช่นเรารับสินเมื่อเริ่มรับสินเรียบร้อยแล้วอาจจะมีสิ่งอื่นที่ทำให้เราเกิดความโกรธทำให้เราจะไปทำร้ายคนอื่นจนถึงขั้นฆ่าคนอื่นแต่เมื่อเรามีสติดำลึกนึกถึงว่า ถ้าเราได้ปฏิญญาณตอนต่อหน้าพระสงฆ์ต่อหน้าพระประธานแล้วว่าเราจะงดเว้นจากการทำร้ายร่างกายจากการฆ่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราจะงดเว้นเมื่อเรามีสติเตือนแบบนี้เราก็งดเว้นสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าเร า, เราไม่ทำบาปเพราะว่ามีศีลเป็นเกาะกบาบังไว้ทางกายทางวาจาก็เช่นเดียวกัน เมื่อเกิดความโกรธบางครั้งบางโอกาสเราคิดจะด่าโต้ตอบคนอื่นเพื่อให้เขาเจ็บ อ, อกเจ็บใจโดยความสะใจของเราเพราะความโกรธแต่เมื่อเรามีส ต, ติเตือนว่าเราได้รับสินแล้วได้ปฏิ ญ, ญาณตอนต่อพระประทานแล้วต่อหน้าพระสงฆ์แล้วสินส ต, ติจะมาเตือนจิตของเราทำให้ เราไม่ตอบโต้ด้วยทางวาจาทำให้เราไม่ไปก่อเวรก่อกรรมทางวาจานี่ก็คือศีลจะรักษาทางกายเพื่อไม่ให้เราทำบาปทางกายทำความเดือดร้อนทั้งแก่ตัวของเราเองและกับบุคคลอื่นทางกายศีลจะปกป้องเรา ไม่ให้เราไปละเมิดไม่ให้เราไปทำร้ายทั้งต่ตัวเองและกักบบุคคลอื่นทางวาจาเพราะเรามีสติเป็นตัวบังคับเป็นตัวเตือนให้เรามีรำลึกนึกถึงอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามีสติเข้ามาภายในพระโอุโบสถวัดรยุงสาวาสแห่งนี้แล้ว เมื่อเรามองไปเบื้องหน้าของเราเห็นองค์พระประธานหลวง พ, อพ่อพระพุทธธรรมวิเศตศาสดาองค์พระประธานในพระบสถาแห่งนี้จิตของเราเกิดปีติยินดีนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราได้มานั่งอยู่เบื้องหน้าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนึกถึงพระองค์บ่อยๆจิตก็เป็นพุทธานุสติ เ อ, อพระพุทธเจ้ามาเป็นองค์ภาวนาในใจของเราจิตของเราก็จะเยือกเย็นสงบเยือกเย็นการเห็นบ่อยๆทําให้เราเกิดนิมิตติตาเรียกว่าภาพแห่งพระพุทธรูปภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นติดตาเราเมื่อเราติตาแล้วจะ ร, รำลึกนึกถึงอยู่ในจิตของเราด้วย สิ่งเหล่านี้แหละทำให้เป็นกุศลเรียกว่าเกิดเป็นบุญเป็นกุศลมีอนิสงส์อย่างยิ่งอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีเศรษฐีอยู่ท่านหนึ่งเศรษฐีท่านนี้มีทรัพสมบัติมากมีลูกชายอยู่คนหนึ่งลูกชายคนเดียวของท่านเศรษฐีแต่เนื่องด้วยเศรษฐีท่านเป็นคนที่ตรหนิขี่เหนียวมากวัดพระเชตวันอยู่ไม่ไกลจากบ้าน ไม่เคยไปพระบินทบาทเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่เคยใส่บาทเพราะว่าเมื่อไปวัดแล้วเดี๋ยวต้องทำบุญท่านต้องเสียเงินเสียสตังค์เมื่อออกไปใส่บาทแล้วท่านต้องเสียเงินเสียสตังค์ท่านไม่อยากเสียเงินทองที่ท่านเก็บไว้ท่านมีทรัพสมบัติมากนอกจากท่านไม่ให้แล้วแม้แต่บุตรของท่านท่านก็ไม่ให้ไปวัดไม่ให้ทาบุญเพราะฉะนั้น เมื่อท่านไม่ทำบุญแล้วคนรอบข้างไม่ได้ทำบุญแล้วบุตรของท่านที่ท่านรับมากก็ไม่เคยไปวัดไม่เคยใส่บาตรไม่เคยเห็นพระทั้งทั้งที่บ้านอยู่ไม่ไกลวัดทั้งทั้งที่บ้านอยู่ใกล้แห่งวัดพระเชตวันมีพระอาหารหันต์เป็นจำนวนมากมีพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในวัดนั้นแต่เนื่องด้วยความตระหนี่ทาให้ปิดบังโอกาสทุกๆอย่าง เลี้ยงโลกเนลูกชายตนเองจะลูกโตอายุ16ปีเมื่อลูกชายท่านนี้อายุ16ปีชื่อว่ามัทธกุธลทลีเกิดป่วยด้วยโรคชนิดหนึ่งตอนใหม่ๆท่านเศรษฐียังไม่กล้าพาลูกไปหาหมอเพราะว่าคิดมากกลัวว่าเมื่อพาลูกไปหาหมอแล้วต้องเสียค่าเดี่ยวยารักษาตนเองก็จะเสียเงินเสียทองอีกคิดดูนิโยม ตอนเราตระหนี่จนถึงขนาดนี้ลูกป่วยยังไม่กล้าเอาไปหาหมอกลัวว่าจะเสียเงินเสียทองแต่ว่าจิตก็ยังรักลูกเพราะฉะนั้นท่านก็ไปเที่ยวสอะถามคุณหมอคนนุ้นบ้างคนนี้บ้างว่าเมื่อมีอาการป่วยแบบนี้ปกติแล้วหมอจะรักษาแบบให้ยาอะไรสมัยก่อนยาสมุนไพรท่านก็จาที่หมอก น, นุ้นบอกบ้างคนนี้บอกบ้างแล้วเอา มาหาสมนไพรทำยาด้วยตนเองทำยาด้วยตนเองเพื่อรักษาให้ลูกให้ลูกกินแต่ด้วยตนเองที่ไม่ได้เป็นหมอไม่รู้อาการว่าโรคนี้เป็นโรคอะไรสาเหตุอะไรให้ยาผิดๆถูกๆจากอาการที่ไม่มากลูกก็ป่วยหนักขึ้นหนักขึ้นจนถึงสุดท้ายไม่ไหวแล้วล่ะคิดว่าถ้าหากว่าไม่เอาไปหาหมอลูกต้องตายแน่แน่ ต้องตัดสินใจแล้วคราวนี้ก็เรียกหมอมาที่บ้านเพื่อให้มารักษาลูกชายของตนเองยอมหมดตังก็ยอมแล้วหลักคราวนี้ว่าระสุดท้ายแล้วกลัวจะเสียลูกไปเมื่อหมอแต่ละท่านมาดูอาการแล้วก็ เ, เรียกว่าตรีทูตหรือว่าระยะที่สามระยะที่สี่ถ้าปัจจุบันหมดทางรักษาแล้วหมอแต่ละคนนี้สายนะ นะ่าบอกว่าไม่มีทางรักษาแล้วปฏิเสธในการรักษาเพราะเมื่อรักษาไม่หายถ้าหากว่าฝืนรักษาไปเสียชื่อหมอหมอก็บอกตรงๆบอกว่าหมดทางรักษาแล้วเมื่อหมอแต่ละท่านปฏิเสธท่านเสถียรท่านถิถีก็นึกว่าเอลูกเราเราก็มีญาติมากถ้าหากว่าข่าวนี้รู้ไปถึงญาติพี่น้องว่าลูกชายของเราป่วยหนักเดี๋ยวก็จะแห่กันมาเยี่ยม เอาเด็กๆมาด้วยเดี๋ยวเด็กๆ ก, ก็จะหยิบฉวยเอาอุปกรณ์ในบ้านของเราซึ่งเป็นของมีราคาแพงๆทั้งนั้นทำให้แตกบ้างอย่ากระ น, นั้นเลยเอาลูกออกนอกบ้านดีกว่าชายคาบ้านจะมีเพิงอยู่แล้วก็ยกเตียงที่ลูกนอนป่วยนี่แหละเอาไปตั้งตรงนั้นใครจะมาเยี่ยมก็เยี่ยมตรงนั้นไม่ต้องเข้าไปในบ้านเยี่ยมแล้วกลับไปท่านยังตหนีจนถึงขนานี้มัตตกุณตลี ป่วยหนักลูกของเศรษฐีพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพอถึงวันนั้นนอนอยู่ข้างนอกแต่ละเช้าทุกๆวันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพุทธกิจ5อย่างนั้นก็คือตอนเช้าพระองค์เข้าสู่พระญาณส่องขายพระญาณของพระองค์ว่าวันนี้จะแสดงไปเทศโปรดใครใครที่ประกฏในขายของพระญาณของพระองค์คนนั้น สามารถเทศโปรดได้บุญได้กุศลได้เข้าถึงดวงตาเห็นธรรมได้วันนั้นมัทธคุณธารีลูกชายของเศรษฐีก็ปรากฏอยู่ในข่ายของพระญานของพระองค์เมื่อมัถกุณธารีปรากฏในข่ายของพระญานของพระพุทธเจ้าแล้วตื่นเช้าขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ถือบาตรหมจีวรถือบาตรพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกจํานวนมาก เดินบินธบาตวันนี้ตั้งใจเดินไปหน้าบ้านของท่านเศรษฐีพระพุทธเจ้าเดินไปหน้าบ้านของท่านเศรษฐีพอถึงบ้านของเศษท่านเศรษฐีแล้วพระองค์หยุดในขณะนั้นมัทกุณทะเลลูกชายของท่านเศรษฐีนอนเอียงหน้าไปทางในบ้านปาเรือนไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงเปล่งรัศมีของพระองค์ให้เปล่งรัศมีเหมือนกับเอาไฟฉายส่องไปที่ ฝาและก็มีแสงสะท้อนมามัตตกุณทะีเห็นแสงบาบขึ้นมาแล้วก็พยายามเอียงตัวพลิกตัวมาหันมาดูพอพลิกตัวมามาดูแล้วเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรันตสาวกจำนวนมากก็เกิดจิตปิติเลื่อมใสศรัทธามากว่าโอ้เราเกิดมาตั้งแต่เล็กจนถึงอายุสิบหกปีไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้า ไม่เคยเห็นพระสาวกไม่เคยเห็นพระอาหารหันต์วันนี้พระพุทธเจ้ามาโปรดเราแล้วพระอาหารหันตสาวกจํานวนมากมายืนอยู่เบื้องหน้าของเราจิตของเราเกิดเป็นบุญเป็นกุศลเลื่อมใสศรัทธาจะยกมือไหว้ตนเองพยายามยกจะยกมือไหว้แต่ด้วยอาการที่ป่วยหนักไม่มีไม่มีแรงแม้แต่ที่จะยกมือขึ้นพนมมือไหว้พระพุทธเจ้า แต่จิตนั้นถึงไปแล้วจิตนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอาหารหันตสาวกแต่กิริยาที่จะยกมือนั้นไม่มีแรงเพราะตนเองป่วยหนักใกล้จะตายแล้วแต่พระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงทราบว่าพอแล้วล่ะแค่นี้ก็พอแล้วเพราะจิตของมัตต ก, กุณตลีถึงเราแล้วถึงเรานอบน้อมต่อตัวของเราแล้วต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าก็ เดินทางเสด็จเดินทางต่อไปมัตตกุณตลีนอนอยู่บนเตียงมองดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายสุดสายตาเมื่อพระอรหันตสาวกองค์สุด ส, สุดท้ายเดินสุดสายตาของมัตตากุนตลีท่านก็หลับตาลงสิ้นลมตอนนั้นการสิ้นลมของมัตตากุณตลีเหมือนกับคนหลับและตื่น แต่ตือนอีกที่อีกทีหนึ่งท่านไม่ได้อยู่ในที่เดิมแล้วเห็นมีเวียวิมานมีปราสาทมากมีคนจำนวนมากท่านก็เข้าไปหาคนเหล่านั้นที่นี่ที่ไหนแต่ละคนแต่งตัวสวยๆงามๆทุกคนตรงนั้นก็บอกว่านี้เป็นสวรรค์ชั้นดาวเด่นนี้เป็นวิมานของท่านท่านเป็นเจ้าของวิมานนี้มัทกุณทะเท่านก็งงๆเอ เหมือนกับคนหลับและตื่นแต่ว่ามาตื่นแล้วทำไมอยู่ในสถานที่อีกที่หนึ่งและก็สวยงามแล้วก็รู้ตัวแล้วว่าตอนนี้อยู่บนสวรรค์แล้วตนเองตายแล้วล่ะท่านก็นึกย้อนว่าบุญกุศลอะไรที่ทำให้ท่านมาเกิดตรงนี้ทำให้ท่านมีอานิสงส์มากจนถึงขนาดนี้ลองย้อนย้อนนึกถึงตอนที่ท่านมีชีวิตเป็นมนุษย์ตั้งแต่ตอนแรกเกิดมาเป็นลูกของเศรษฐี อยู่มาจนถึงอายุสิบหกปีไม่เคยทำบุญไม่เคยข้าวัดไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือไหว้พระและบุญกุศลอันไหนที่ส่งผลให้มีอนิสง์มากมายจนถึงขานาดนี้เมื่อย้อนไปดูอีกเห็นว่าท่านนอนป่วยอยู่จนถึงวาระสุดท้ายก่อนที่จะท่านจะสิ้นลมจิตได้ไปเห็นพระพุทธเจ้าจะยกมือไหว้พระพุทธเจ้าจิตนอบน้อมต่อ พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตเป็นกุศลในขณะนั้นและก็ท่านก็สิ้นลมลงจิตที่เป็นกุศลในขณะแค่ชั่วขณะเดียวที่ก่อนสิ้นลมก็มีในิสงฆ์มากมายจนถึงขณะ น, นี้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายทําบุญทํากุศลเป็นปกติจิตของเราทุกวันพระเรามารวมกันณนะสมาคมแห่ง น, นี้ภายในพระอุโบสถ แห่งนี้สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนใจจิตนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าถึงแม้นว่าพระวรกายของพระองค์ไม่มีอยู่ที่นี้แล้วแต่ว่าจิตของเราก็ถึงพระองค์เมื่อเรามองไปที่องค์พระประธานเราก็จิตของเราก็ถึงพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้ว ฟังพระธรรมเทศนาจิตของเราก็ถึงพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ได้นําหลักทำคําสอนของแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้เราได้รับฟังได้รับรู้จิตของเราก็นอบน้อมแต่พระธรรมเมื่อเห็นพระสงฆ์จิตของเราก็ให้น้น้อมราลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์ ้าพกาสาวพัทผู้ที่มีครองกายอยู่นี้เป็นธงชัยแห่งพระอระหันต์ให้นึกถึงพระอระหันต์ว่าพระสงฆ์เป็นตัวแทนแห่งพระอริยสงฆ์ให้เราลำนึกนึกถึงแบบนี้เมื่อเราลำนึกนึกถึงแบบนี้แล้วจิตของเราก็จะมีพระรัตนตัยอยู่ในใจพร้อมด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะดันั้นจิตที่เป็นกุศลแบบนี้ย่อมเกิดเป็นบนเป็นกุศลย่อมมีอานิสงส์มากแต่จิตนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของจิตดังที่กล่าวแล้วว่าจิตเป็นธรรมชาติที่ขวกักแขว่นเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนรักษายากดูแลยากท่านจึงให้เอาเครื่องมือเพื่อรักษาจิตเพื่อให้จิตนั้นเกาะ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปรียบเทียบจิตเหมือนกับลิงธรรมชาติของลิงนั้นอยู่นิ่งยากนอกจากว่าลิงจะสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและก็จะอยู่นิ่งอยู่ในสิ่งนั้นๆจิตก็เช่นเดียวกันจิตจะดูนิ่งยากเดี๋ยววิ่งไปนู้นเดี๋ยววิ่งมานี้วิ่งไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเพื่อให้จิตอยู่นิ่งนิ่งท่านจึงให้เอาจิตสนใจสนใจในคําว่าพุทโธก็ได้ หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธพุโธนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อสนใจในคําพุธโธคําภาวนาว่าพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าจิตของเราก็จะนิ่งอยู่ในตรงนี้ในพุทธานุสติหรือว่าจะนิ่งอยู่ในที่อาการเคลื่อนไหวของท้องหายใจเข้าพองหายใจออกยุบก็ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้จิตมันนิ่งเพื่อให้จิตมันสนใจ เพื่อจิตเมื่อจิตมันสนใจแล้วจิตมันจะจดจ่ออยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็มันจะนิ่งอยู่ตรงนั้นมันนิ่งมากๆท่านเรียกว่าเกิดเป็นสมาธิจิตมันจดจ่อในสิ่งเดียวนี่คือการวิธีการฝึกจิตเมื่อเราฝึกจิตได้แล้วอย่างอื่นถือว่าเราทําได้ทั้งหมดกิริยาที่แสดงออกทางกายจิตเป็นตัวสั่งเราก็มีสติ มีสติเป็นตัวกันกรองอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นจิตและสติตัวนี้แหละเป็นสิ่งที่ควบคู่กันให้เราแสดงออกทางกายทางวาจาในสิ่งที่เราสามารถเลือกได้จริงๆแล้วเราเลือกได้ที่จะแสดงออกทางกายทางวาจาเราเลือกได้ที่จะแสดงออกในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีถ้าหากว่าเราควบคุมจิตได้และก็มีสติเป็นตัวควบคุมจิต ศิลเป็นตัวเป็นเกาะกำบังอีกครั้งหนึ่งเรียกว่าข้างนอกนะเป็นตัวกำบังอีกครั้งหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้จิตไปคิดอะไรก็ทําให้สั่งกายสั่งวาจาไปในทางที่ไม่ดีด้วยนะเพราะฉะนั้นในอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลมีมีบุคคลคนหนึ่งศรัทธามากในพระพุทธศาสนาเมื่อฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ขอบวชแต่พอบวชมาแล้วมาเป็นพระภิกษุศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อทำโน้นก็ไม่ได้ทำนี้ก็ไม่ได้อึดอัดเมื่อตอนเองมีความรู้สึกอึดอัดมากไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายก็ไปบอกพระพุทธเจ้าว่าไม่ไหวแล้วจะขอสึกดีกว่าเพราะว่าศินของพระองค์มันเยอะเกินไป รักษาไม่ไหวสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อพระพุทธเจ้าเลยตัดว่าสองร้อยยี่สิบเจดข้อมันมากเกินไปถ้ารักษาข้อเดียวเธอจะรักษาได้ไหมพระพิสูรรูปนี้บอกว่าถ้าข้อเดียวรักษาได้สองร้อยี่สิบเจ็ดข้อมันมากเกินถ้าข้อเดียวรักษาได้พระพุทธเจ้าก็ตัดว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรักษาข้อเดียว รักษาสิ่งเดียวพอแล้วเธอจงรักษาจิตของเธอนั่นแหละรักษาจิตของเธอระวังจิตของเธอดูแลจิตของเธออย่างสม่ำเสมอมีสติเมื่อดูแลสิ่งเดียวดูแลจิตดูแลความคิดของเราแล้วสิ่งอื่นถือว่าเราสามารถควบคุมได้ทั้งหมดพองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสําคัญในเรื่องจิตเป็นอย่างมากแม้ในวาระสุดท้ายแห่ง ก่อนที่จะดับขันธ์ทปัปริณิพานพระองค์ยังฝากเตือนให้เราพุทธบริษัททั้งหลายให้สำรวมให้มีสติให้มากดังพระพุทธดารัสที่ว่าหันทธานิิขเวขยาวยธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเทนะสัมภาเททะท่านทั้งหลายร่างกายนี้มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจนถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดพระพุทธเจ้าให้เราท่านทั้งหลายไม่ประมาทไม่ประมาทในอะไรไม่ประมาทในการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีสติในการทําทางกายในการทําทางวาจาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อเรามีสติเตือนสติอยู่เนื่องๆแล้ว เขาเรียกว่าสิ่งอื่นเราได้ปฏิบัติทำอยู่ทุกเวลาการเจริญสตินั้นไม่จำเป็นต้องมานั่งสมาธิเสมอไปเราทำได้ทุกโอกาสทุกเวลาแต่การนั่งสมาธินั้นเป็นวิธีที่ทำให้เกิดสมาธิเกิดสติได้ง่ายที่สุดนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกคนทุกท่านได้มา วันนี้มาให้ทานรักษาศีลและก็เจริญจิตภาวนาฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมะสวัสก็คือวันฟังธรรมของชาวพุทธเราได้ปฏิบัติกิจของเราในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนมาเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้แก่ชีวิตของเราไม่ปล่อยชีวิตของเราให้ประมาทให้ผ่านไป โดยเปล่าประโยชน์เราเอาสาระให้เกิดมากที่สุดเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นมีสาระมากที่สุดได้เกิดประโยชน์มากที่สุดในโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้สิ่งที่ยากที่สุดแล้วดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกโคมนุสสาวติลาโภโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นเรื่องที่ยาก โอกาสที่จะได้เกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นเรื่องยากอีกเมื่อมาพบพระพุทธศาสนานแล้วโอกาสาที่จะได้ฟังธรรมก็เป็นเรื่องยากเมื่อได้ฟังธรรมแล้วโอกาสที่จะเข้าใจในพระธรรมคำสอนนั้นก็เป็นเรื่องยาก <SAM> e> เพราะฉะนั้นเราได้ทำสิ่งที่ยากยากที่พระพุทธเจ้าตัดว่าเป็นสิ่งที่ยากแล้วให้แก่ชีวิตของเรา โดยเฉพาะเรื่องการระวังจิตดังที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทในเบื้องตอน้นในท้ายที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้รัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเ ต, เตจสาด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระสงฆ์เจ้า บารมีของหลวงพ่อพระพุทธธรรมวิเชตศาสดาองค์พระประธานในพระโบสถศบารมีของหลวงพ่อพระพุทธนาคซึ่งเป็นองค์พระประธานในพระวิหารบารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งประดิษฐานภายในวัดประยุค์สาวาทแห่งนี้ตลอดถึงบุญกุศล บ, บุญบารมีคุณงามความดีทั้งหลายที่ญาติโยมทุกคนทุกท่านได้สั่งสมกันมาได้บำเพ็ญกันมา ในปัจจุบันก็ดีในอดีตก็ดีขอให้บุญกุศลบุญบา ร, รมีคุณงามความดีเหล่านั้นทั้งหมดทั้งปวงจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญหากแม้นมุ่งม้าปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประเดชชอบประกอบไปด้วยคุณธรรมและไม่เกินวิสัยที่มนุษย์จะพึงได้แล้วซ้ายขอให้ความคิดความปรารถนานั้น จงพลันสำเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จดังที่มุ่งมาาปรารถนาไว้โดยทั่วกันรับแสดงพระธรรมเทศนามาในจิตกถาก็พอสมสมัยได้เวลาขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี